ข้าพเจ้าพระภัยบูนาพิปุโนจากวัดป่าดอนไหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยพบปะกับท่านพระฟังในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระผู้มีรพระภาคท่านพระฟังจําไว้เลยจําไว้เลยข้าพเจ้าไม่ใช่พระพุทรเจ้าไม่ได้เคยมีความปรารถนาเป็นสามาสามตุทธเจ้าเป็นภิกษุรูปหนึ่งที่บวชอุทิศ พระผู้มีพระภาคเราศึกษาในคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าไม่มีคุณสมบัติของความเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนที่จะเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้มีคนเดียวคือสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่สามารถฝึกบุตรที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าพระพุทธเจ้าไม่สามารถฝึกธัมโมฝั่งใดพระพุทธเจ้าต่างหากสามารถฝึกธัมโมฝังได้เอ้าฝึกยังไงพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้ว ตัวตนนี่ถูกทำลายไปแล้วตแต่ตอนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไมโปกทำลายตัวตนไม่เหลือความเป็นตัวตนไม่มีแต่สิ่งที่ฝึกนั่นคือฝึกผ่านทางคำสอนที่พระเจ้ามาจัดรายการอยู่นี้ก็มาทำหน้าที่ของของตัวเราเองพระสงค์มีหน้าที่อะไรหนงในหกหน้าที่ที่พระเจ้าให้ทำคือการที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้ง เพราะนั้นไอการอธิบายทําสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งหรือว่านําพุทธประนะหรือนําเรื่องเล่าต่างๆมาเล่าให้ท่านผู้งฟังอันนี้ก็ต้องแน่นอนว่าคือเราไม่ใช่คนสอนเราเอาข้อมูลคนอื่นมาสอนจะสมมติท่านฟังไปอ่หนังสือแล้วเอาข้อมูลในหนังสือนี้ไปบอกต่อเราจะมาบอกได้ไงว่านี่เป็นของเรามันไม่ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนคิดมาก่อนนะอันนั้นไม่ใช่ความรู้ของเราเลยอย่างอาจารย์หรือใครก็ตามที่สอนในมหาวิทยาลัย นะคุณสอนอะไรคุณสอนความรู้ของคนอื่นหรือเปล่าถ้าคุณสอนความรู้ของคนอื่นคุณจะมาเรียกตรงนั้นว่าเป็นผลงานของคุณไม่ได้นะเขาจึงมีการเป็นอะไรอะศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์อะไรก็เพราะว่าความคิดคน้นคิดคน้นความคิดใหม่ขึ้นมาถึงจะมีตำแหน่ ง, งพวกนั้นได้นะซึ่งความดับทุกเนี่ยคนที่คิดเรื่องความดับทุกได้แล้วทำได้มีตำแหน่งนี้อยู่ น่ยไม่ใช่ศาสตราจารย์หรือว่าศาสตราจารย์ของศาสตราจารย์อะไรไม่ใช่นั้นแต่ว่าตำแหน่งนี้คือสัมมาสมัมพุทธเจ้านั่ยนั่นคือคือตำแหน่งที่ว่าเป็นคนที่คิดวิธีการดับทุกข์ได้ตัวเองก็ดับทุกข์ได้คิดวิธีการดับทุกข์ตัวเองดับทุกข์ได้นี่แหละคือสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยไม่ใช่แค่นั้นน่ยไม่ใช่แค่คิดได้ทําเองได้นั่นก็มีอ ย, ย่างพระประเจกปุถุชนเน่ยคิดได้ทําเองได้เนี่ยเราก็ยังสอนคนอื่นได้ด้วย เราสาวกที่ปฏิบัติตามมานั่นคือปฏิบัติได้นะเป็นผู้ปฏิบัติได้ข้าพเจ้านั้นก็พอปฏิบัติได้นะพอเอาตัวรอดได้นะรักษาศีลได้กินข้าวชาวบ้านเข้าไม่ให้ตัวเองตกนรกพอทําจิตอย่งงางนั้นได้อยู่เรามาศึกษาคําสอนพระเจ้าเพื่อให้ตัวเองนั้นพ้นจากทุกข์พระองค์บอกไว้เลยตั้งแต่แรก แ, รแล้วตรัสรู้ น, นนะบอกว่าประพฤติพรหมจรรย์ น, นี่บอกสอนนี่ไม่ใช่เพื่อนล้มล้างและที่อื่นในสิ้นไป น่นไม่ใช่เพื่อที่จะให้คนอื่นเข้าใจว่าเราเป็นผู้พิเศษอย่างนั่นอย่างนี้ไม่ได้เพื่อที่จะทําตัวเองให้เป็นเจ้าลทัทธิใดเจ้าลทัทธิหนึ่งหรือไม่ใช่เพื่อที่จะลาบสการะเสียงสรรเสริญเยินยอมีมาพอแรงแล้วแต่ทำเนี่ยเพื่อดับความทุกข์เพราะฉะนั้นเราฟังคําสอนใดๆทําสิ่งใดๆก็ตามพิจารณาดูเนี่ยเราต้องกลับไปที่ต้นตอนะ่ยต้นตอคือตัวแม่บทตัวมาติกาตัวหลักว่าผู้ะพุทธเจ้านี้ สอนอยังไงเราไปเปรียบเทียบตรงนั้นเปรียบเทียบดูเทียบเคียงดูอันไหนเราเข้าใจเราก็จำเอาไว้อันไหนเราเข้าใจไม่ได้เราก็ยกไว้ก่อนนะค่อยๆมาทําความศึกษาความเข้าใจให้ดีให้ได้ให้ลึกซึ้งนะอันนี้ก็จึงเป็นเหตุที่ทําให้ข้าพเจ้านี่ต้องมาพูดนะเป็นการอธิบายขยายความในเรื่องของคําสอนต่างๆเหล่านั้นคําสอนนี้บอกไว้เลยข้าพเจ้าไม่ได้คิดเองเราก็ไม่คิดว่าจะต้องคิดเองด้วยซ้ำ ก็เป็นเอาของบุทุิชามาบอกเนาะเอามาบอกท่านฟังต้องคิดเองนะไม่ใช่ว่าเรามาคิดให้ย่อยนี่กินข้าวก็ต้องย่อยเองเคี้ยวก็ต้องเคี้ยวเองนะามายืนให้เฉมชอยากกินอะไรก็กินกินเสร็จแล้วมันอร่อยมันสบายใจดีกินต่อนะทำให้มันละเอียดยิ่งขึ้นเรื่องของภูมิคุ้มกันกิเลสนะภูมิคุ้มกันกิเลสที่ข้าพเจ้าได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าถ้าเราไม่ต้องการให้ราคะโทสะโมหะมันเกิดขึ้น เจ้าราคะโทสะโมหะเนี่ยมันเปรียบเสมือนเชื้อโรคเปรียบเสมือนก็เรื่ออาการป่วยอาการป่วยของจิตของเราในอย่างร่างกายมีอาการป่วยเช่นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้นั้คันตรงนั้นแสบตรงนี้นันี่เป็นอาการทางกายนะคุณปวดหัวเป็นอะไรปวดหัวอาจจะเกิดจากการที่เป็นโรคออฟฟิศซินดรมเนี่ยปวดหลังก็เลยจะไปปวดหัวด้วยปวดกล้ามเนื้อเลยไปลามปวดหัวด้วยหรือปวดหัวจาก มีเนื้อ ง, งอกในสมองหรือปวดหัวจะเป็นมะเร็ง้อทมีได้หลายสาเหตุอาการที่มันโผล่ออกมาตรงนี้เนะี่ยก็เรียกว่ามาสาเหตุจากอะไรมีสาเหตุจากอะไรนะอาการตรงนี้ก็คือลักษณะของการป่วยทางกายอานะการป่วยทางใจก็เหมือนกันอย่างการป่วยทางใจที่เราพูดถึงก็มีอาการที่จิตร้อนจิตหิวและจิตมืดเนะื้อร้อนหิวมืดก็เป็นผลมาจากเจ้าราคะโทสะโมหะนั่นเอง ทำให้จิตเรามันหิวมันโห่วยได้แล้วมันก็ไม่พอจิตมันร้อนมันรุ่มในอยู่ในที่เย็นๆก็รู้สึกนั่งไม่ติดพลิกไปพลิกมาจิตมันมืดมันก็ไม่เห็นตามที่เป็นจริงเหมือนตึงไม่รู้อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะมันเป็นอย่างนี้ก็ทําให้จิตของเรานั้นมีอาการป่วยจิตของคนที่มีราคะโทสะโมหะอยู่ก็เชื่อว่าเป็นจิตที่ป่วยนะเราจะมีภูมิคุ้มกันตรงนี้อย่างไรแล้วก็ในเมื่อวานนี้ก็จึงได้ยกประสูตรที่มาใน อังคุตรนิกายนะอยู่ในอากังควักนะหมวดที่10บนแะพระสูตรนี้ก็ได้พูดถึงนะคุณธรรมอยู่ทั้งหมดเป็นอยู่หลายส่วนนะถ้าเราจะแบ่งเป็นทีละ3หมวดนะทั้งหมดแปดชั้นด้วยกันแปดชั้นนี้เป็นชั้นที่พระเจ้าได้ยกเป็นขั้นเป็นตอนนะพูดถึงว่าการยังไงที่จะไม่ให้ราคาโทสะโมหเกิดขึ้นไดนะ้แต่ว่าจริงๆแล้วก่อนนั้นก็ได้พูดถึงเรื่องของ ความที่ทําไมถึงมีพระเจ้าเกิดขึ้นทําไมถึงมีพระเจ้าเกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเกิดความแก่ความตายจะแก้ปัญหาเรื่องความเกิดความแก่ความตายก็จะต้องดับราคาโทสะโมหะจะดับราคาโทสะโมหะได้คุณก็ต้องมีความเรียกว่าละเจ้าสักายทิทิวิจิกิจชะสีระพตะปรมาตได้อันนี้คือเรื่องรอยรัตเบื้องต่ำสามอย่างใช่ไหมทีนี้ก็ไล่ไปไล่ไป ก็จึงตัดเฉพาะตรงส่วนที่เรียกว่าจังตั้งแต่เจ้าราคาโทสะโมหะลงมานะเพื่อที่ว่าตรงนี้จะเป็นส่วนที่จะเป็นภูมิคุ้มกันนะให้จิตของเราเนี่ยไม่มีอาการป่วยนะไม่ให้มีอาการป่วยคือราคาโทสะโมหะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยถ้าอาการป่วยทางจิตนะัคือราคาโทสะมันโมหะเนี่ยมันไม่มีมันเกิดขึ้นน้อยแล้วนะความทุกข์ในใจของเราก็จะหายไปนั้นดับไปนะความทุกข์ในใจนะนะไม่ใช่หมายถึงว่าสิ่งที่เกิดอยู่ภายนอกมันจะดับไปไม่ใช่อย่างนั้น ขันธ์ทั้ง5้ามันก็ยังมีอยู่ตามธรรมชาติของมันแต่ความยึดถือในขันธ์ทั้ง5้าเนี่ยมันดับไปอย่งเช่นว่าถ้าเราพูดถึงเราต้องการจะป้องกันราคาโทสะโมหะนะผู้ชาก็ไล่ไปไนะล่เป็นชั้นๆไปนะเป็นลักษณะของชั้นของกำแพงนะที่เราจะคอยป้องกันไม่ให้จิตของเรานั้นมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นนั้นะดับแรกก็พูดถึงการที่เราจะป้องกันมานก่อนนไะล่มาตั้งแต่ ระดับล่างสุดในระดับล่างสุดนั้นก็พูดถึงความที่เราจะต้องเป็นคนไม่ประมาทนะมีความกลัวต่อบาปนะมีความละอายต่อบาปนะถ้าเรามีความไม่ประมาทมีความกลัวต่อบาปมีความละอายต่อบาปไอ้ความไม่ประมาทเนี้จะทําให้อ่าเรามีความเอื้อเฟื้อในบุคคลและทํามันคนเอื้อเฟื้อนะทำให้เป็นคนที่ว่า ง, ง่ายและเป็นคนที่มีมิตร ด, ดีอย่างเพื่อนจะชวนเราไปทําชั่วโอ๊ย WOW! เรา ไม่อยากทำชั่วเลยเรามีความกลัวต่อความชั่วความละอายต่อความชั่วนะเราไม่คบเพื่อนคนนี้ดีกว่าเราไปคบเพื่อนค น, นอคื่นอ่ะคบเพื่อนคนอื่นคุณมีมิติละอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดกันได้แนะถ้าคุณมีความไม่ประมาทเอ้ยอันนี้มันมันถ้าทําไปมันจะประมาทน่ากินดื่มนะเที่ยวเล่นสมเล่เทเมาขี้เกียจขี้คร้านอุดอู้เฉมเบ้อท้อแท้ท้อถอยบ้าบอคอยแตกเอ้ยนี่เป็นความประมาทอะเราพยายามละนะพยายามตอดถอนเจ้าความประมาทเหานั้น ตั้งตนอยู่ในความดีคบกับคนดีคบกับคนดีเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่มีกัละยาณมิตรนะกัละยาณมิตรหรือคนดีเนี่ยพอคบแล้วจะทําให้เราเป็นคนที่มีศรัท ธ, ธาได้มีศรัท ธ, ธามีความเป็นวัฒนยูวัฒนอยูนี่ก็คือลักษณะของคนที่ดีนะคนดีก็ทําอะไรกันก็เป็นคนลักษณะนั้นและเป็นคนที่ไม่เกียจคร้รานแล้วนะพอเรามีเพื่อนดีเนี่ยเขาจะชวนเราไปทําในสิ่งที่คนที่มีศรัท ธ, ธาก็ทํากันนะหรือว่าไป <mister isation> ในการที่ไม่เก wow. <st hum> doing, ียจคร้านการที่เป็นผู้มีวัฒนอยู่พอเราเป็นอย่างนั้นแล้วความขยันเจ้าความขยันความไม่เกียจคร้านเนี่ยจะทําให้เราเป็นคนที่ไม่ฟุ้งซ่านได้ความขยันความไม่เกียจคร้านก็คือการที่เราใส่ความเพียนเข้าไปเราใส่ความเพียนเข้าไปเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ความเพียนความเกียจคร้านมาทันทีคือการใส่ความเพียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อให้อะไรมันเกิดนะแต่เพื่อให้ความเกียจคร้านเนี่ยมันดับไปเราจะทํายังไงให้ความเกียจคร้านดับไป คุณใส่ความเพียรสิพอใส่ความเพียรความเกียดรันดับไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความไม่ฟุง้งนซะ่านแตความไม่ฟุ้งซ่านนี่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่คิดอะไรเลยนาจจะคิดแต่คิดเรื่องเดียวนะมีจิตเป็นหนึ่งจะคิดหลายเรื่องแต่ก็อยู่ในรวมๆอยู่ในเรื่องนั้นในอย่างคนที่ทําธุรกิจนต่ต้องคิดการงานคิดนั่นนี่นะซ้ายขวาหน้าหลังเอรุงตรงนั่งโทรหาคนนั้นโทรหาคนนี้กลับมาทําโครงการนั้นต่อโครงการนี้แล้วก็ต้องมาที่นี่เดินทางต่อไปที่นั่น ในอีหลงตรงนางไปหมดแต่ว่าจิตก็สบายอยู่นะมีความคิดผ่านไปได้ในละักษณะนี้ก็คือเป็นจิตที่เป็นหนึ่งอยู่แต่ว่าก็ต้องทํางานหลายอย่างเนะี่รือแม้แต่ทํางานนี้ที่ทํางานหรือเรียนหนังสือก็ตามอะเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสืออย่างเงี้ยคุณอาจจะทําข้อสอบคณิตศาสตร์หรือทําข้อสอบภาษาอังกฤษทำข้อสรรอบภาษาไทยอะไรก็ได้นะในเรื่องที่คุณกําลังจิตใจจดจ่ออยู่นั้นเนี่ยเป็นหนึ่งอยู่นั้นเนี่ยมันก็อยู่ในหมวดตรงนั้นอยู่ในช่วงนั้น แต่จะมีความคิดอันนี้ตัว A นี่ตัว B อันนี้เลขหนึ่งเลข2เป็นคูนเป็นบวกเป็นลบนะีวุนวิ่งวุ่นอยู่ในว่นอยู่ในนั้ น, น, น, นแต่ไม่วุ่นวายนะี่ยก็เรียกว่าเป็น1อาการตรงนี้คือการเป็น1ก็คือลักษณะของจิตที่ไม่ฟุงลล้งซ่านนั่นเองเนะมีความเป็นหนึ่งพอมีความไม่ฟุ้งซ่านแล้วนะ่ยจะสามารถเรียกว่าพอไม่เกียดครางแล้วเนี่ยนอกจากจะทําความไม่ฟุง้งซ่านเกิดขึ้นแล้วนะ่าจะเป็นไม่เป็นผู้ที่มีความสํารวมเน่ยเป็นคนที่มีศีลคนที่มีความเพีย จะทําตัวเองให้เป็นคนที่ไม่ฟุง้งซ่านจะทําให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสํารวมจะทําให้คนตัวเองเป็นคนที่มีศีลได้นะคนที่มีสีในธรรมฝั ง, งคนที่ดีๆเนี่ยนะคนที่มีสีมีสีนี่คือว่าเป็นปกตินะเช่นสิ่งที่พระเจ้าแนะนําให้ทำนะก็คือการที่ไม่ฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติไม่ลักทรัพย์อยู่เป็นปกติคือหมายถึงไม่ถือเอาทรัพย์อันที่เจ้าของไม่ได้ให้นะไม่แกล้งกล่าวเท็จไม่ดื่มสุราเมรัย ไม่ประพฤติผิดในกรรมในะความปกติที่ดียิ่งขึ้นไปก็มีอีกนะเช่นถ้ า, าการไม่ดูรักกรรมขับร้องการละเล่นเป็นค่าสึกต่อกุศนะลธรรมในลักษณะการเสพกรรมที่มันจะผิดในะที่มันจะละเอียดเล็กซึ่งขึ้นไปเนี่ยอย่างผู้ที่เสพการรมนะผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นค า, ารวะผู้เสพกรรมอยู่ในะระดับของการเสพกรรมถ้าคุณจะมีผัวมีเมียแล้วนะก็ให้มีแค่คู่เดียวนะอย่าเลยเถิดเกินไปกว่านั้นท่านละเอียดขึ้นไปอีก ผัวเมียเราไม่ยุ่งนะอยู่คนเดียวนะกินเวลานอกการเราก็ไม่กินในะอย่างถ้าคนทั่ ว, วไปก็ยังไปกินข้าวเย็นกันอยู่นะมอาหารเย็นที่เขาเตรียมอาหารอย่างดีเก็บไว้จากตั้งแต่เวลากลางวันเก็บไว้เตรียมตอนเย็นเป็นอาหารรสเลิศอ่ะเราก็ละซะรู้สึกมันพอแล้วนะก็เสพกามลดลงไปนะยังรวมถึงการาประดับประดาตกแต่งร่างกายในฐานะแห่งการแต่งตัวก็ละลงไป นั่นงไปอีกก็พูดถึงการดูการละเล่นเป็นค่าสกแกกุศลธรรมนะลัละความสุขทางกามพวกนี้ซะนั่นะ ล, ล, ลงไปอีกกับพวกเงินทองก็ละลงไปนะัก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีสินนะเป็นผู้ที่มีสีนละเอียดเอียดลึกซึ้งขึ้นไปนะสำหรับประสงค์ก็มีศีลหลายอย่างรวมทั้งเครื่องแบบก็ต้องเปลี่ยนทรงผมแรงต่างมีเยอะแยะไปหมดความมีศีลตรงนี้จะทําให้เราเป็นผู้ที่อยากจะคบกับคนประเสรศิฐคนดีคนประเสรศิฐ เราอยากจะเกี่ยวข้องด้วยอยากจะเห็นอยากจะฟังธรรมของท่านนะเพราะว่าเราเป็นคนมีศีล น, นั้นเนื่องจากว่าคนประเสริฐอริยบุคคลเนี่ยเป็นคนที่มีศีลแน่นอนใช่ไหมพระเจ้าพูดถึงคนประเสริฐคนดีเนี่ยอย่างน้อยเธอต้องมีศีลเป็นพื้นฐานละเพรา ะ, ะนั้นเรามีความเป็นปกติชนิดที่เรียกว่าหลีกออกไกลจากกามบ้างในระดับหนึ่งนะไม่ค่าสรัพ์ไม่ลักทรัพย์ไม่รุบปิดในกามแนะเราก็มีความที่อยากจะเห็นพระอริยเจ้าอยากจะเห็นคนที่ประพฤติดีร่วมกันนะอยากจะ พบอยากจะเจออยากจะฟังท่านพูดอะไรคนที่ประเสริฐคนดีแบบเดียวกันเนี่ยแต่พอเราเนื่องจากเราเป็นคนมีเสียเราก็อยากจะเจอคนพวกนั้นแต่นอกจากนี้เรายังจะทําให้เราเป็นคนที่มีจิตไม่ไปเกาะเกี่ยวเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องบ้าบ้าบอๆเรื่องที่เป็นอกุศลเรื่องเมืองล้วงเรื่องมั่นคงเรื่องสุดโทมเรื่องต่างๆน่าเรื่องทะเลจิตใจเราจะไม่ไปเข้าไปเกาะเกี่ยวเรื่องเหล่านั้น แลเขาพูดถึงละคร น, น้ําเน่าเรื่องใหม่ล่าสุดโอ้เราจะจิตเราจะก็เรียกว่าจะหลีกออกได้น่จะไปฟังฟังอยู่แต่ว่าก็ไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวก็เกี่ยวนหมายถึงหนึบหนึบนี่คือติดแล้วมันปุ๊บมันมันถูกลากตามไปนะแต่ถ้าเราจะฟังอยู่ฟังแล้วก็ปานปานไปไม่ได้คิดอะไรนั่นะคือลักษณะของการที่มีจิตไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวอันนี้เป็นผลมาจากการที่เรามีศีนันนเรามีสีคุ้มครองเราอยู่เรามีความเป็นปกติอย่างเงี้ยจิตเราจะ ไม่เข้าไปเก่อเกี่ยวในสิ่งต่างๆแล้วก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่อยากจะเจอกับคนที่ประเสริฐเหมือนกันคนดีเหมือนกันคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกันเราก็จะอยากที่จะฟังว่าท่านพูดอะไรนั่นก็คือการที่อยากเห็นพระอริยเจ้าการที่อยากฟังธรรมของพระอริยเจ้าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นขั้นที่1 2 3 4 5สองส้ากเรียกว่าเป็นชั้นที่ห้าชั้นที่หคือตรงนี้พอเราเป็นผู้ที่มีจิตไม่เก่อเกี่ยว เนี่ยป็นจิตที่เรีมั่นคงได้ในระดับหนึ่งเนี่ก็จะทําให้เป็นคนที่มีสติขึ้นมานีาแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสติแล้วคนที่มีสติน่ยมีสัมปชัญญะสติเนี่ยคือการระลึกได้เนีสัมปชัญญะก็คือการที่คุณมีสติอยู่ในเรืยองต่างต่างเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะคุณนั่งสมาธิอย่างเดียวยังรวมถึงการเดินการยืนการเคี่ยวการพูดคุยการทํางานการไปไหนไปไหนนีคุณระลึกได้หมดเพราะว่าธรรมะตรงนี้ท่านผูฟังเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติ นีไม่ใช่ว่าคุณจะต้องปฏิบัติแบบตัวแข็งๆทื่อๆเดินเหมือนหุ่นยนต์นีใครเขาพูดไรก็หน้าตึงๆเนีบางทีก็นั่งหลับตาคนเดียวในที่ทํางานอุ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเป็นธรรมชาตินีไม่ว่าจะอยู่ในเอริบทรดได้ถ้าคุณมีสัมปชัญญะในและสัมปชัญญะนั้นๆคุณมีสติได้อันเนี้ยถึงจะถูกเนีเพราะว่าถ้าบอกว่าเราเป็นผู้ที่มีจิตไม่ไปก่อเกี่ยวใช่ไหมเรามีความปกติของเราอยู่อะนี่ยเราทํางานเราก็มีศียงได้ความเป็นปกติ นะสิ่งคือความเป็นปกตินั่นแหละลักษณะของการที่เรามีสัมปชัญญะแล้วนะอย่างเขาด่ากันว่ากันในที่ทำงานโอ้ยเราไม่ด่ากันไม่ว่ากันหรอกนะเราไม่พูดเรื่องไม่ดีของใครนั่นคุณมีสติอย่างมีสัมปชัญญะล้วมีสัมปชัญญะเพราะอะไรเพราะคุณไม่พูดเรื่องไม่ดีในขณะที่ว่าคุณอยู่ตอนนั้นเนี่ยคุณมีสติอยู่ได้คุณระลึกถึงได้ว่าเอ้ยฉันไม่ต้องพูดเรื่องไม่ดีก็ได้นะนั่นนหะคือคุณมีสติอยู่ในท่าไหน คุณยืนหรือเปล่าคุณยืนก็คุณมีสติอยู่ในใต้ยืนถ้าคุณนั่งอยู่เขาพูดกันคุณนั่งอยู่คุณก็ไม่สติในฐานะถ้าคุณกําลังจะพูดออกไปคุณไม่พูดเรื่องไม่ดีด้นคุณก็มีสติในขณะที่คุณกําลังพูดอยู่แล้วนั่นคือการที่มีสติอย่างมีสัมปชัญญะนะคนที่มีจิตไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวเรื่องใดๆจิตนั้นก็จะไม่สายจะมีความเขาเรียกว่าสายแห่งจิตเนี่ยจะไม่มีนะจิตที่มั่นคงไม่มีความจิตที่สายไปสายมานะพอมีจิตมั่นคงไไมม่สสาาายยป คือมันคงเนี่ยไม่ใสยไปใส่มาเนี่ยเรายังดูจักรยานก็ได้จักรยานเนี่ยมันวิ่งไปอยู่นะมีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ไม่สายไปใส่มาแต่จะใายไปใส่มามก็คว่ำใช่ไหมแต่ว่าจิตที่มีความไม่สายไปใส่มาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรหรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแต่คิดอยู่รู้สึกอยู่แต่ไม่สายไปใส่มาอาจจะคิดเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างก็อย่างกรณีที่เราพูดถึงความที่มีจิตไม่เข้าไปเกี่ยเกี่ยวลักษณะเดียวกันแต่คนที่มีจิตที่ว่าไม่สายไปใส่มาเนี่ย ก็ละเอียดลงไปอีกเที่ยงขึ้นมาอีกเที่ยงนี่หมายถึงว่าเที่ยงตรงนหมายถึงความที่แน่แน่ความที่เป็นอารมณ์เดียวเข้าไปอีกความที่นิ่งเข้าไปอีกระดับหนึ่งแต่นิ่งแบบมีอะไรเข้าใจเนาะทีนี้พอเรามีความไม่ไปเที่ยวเสาะใสแห่งจิตเนี่ยจิตนั้นก็เรียกว่าเป็นจิตที่เริ่มมีสมาธิแล้วคือมีใจจดจ่อเริ่มมะสามารถที่จะพิจารณามีการทําโยนิโสมนสิการได้ นันมีการทำในใจโดยแยกขายการทำโยนิโสมนัสการการพิจารณาโดยแยกขายเนี่ยจะต้องมาจากการที่จิตของคุณเนี่ยเป็นสมาธิในระดับหนึ่งนั้นในระดับหนึ่งคือความที่มีจิตไม่เข้าไปเที่ยวเกาะเกี่ยวนั่นเองนะพอจิตเราไม่เท่าไปเที่ยวเกาะเกี่ยวแล้วนั่นจะสามารถทำในใจโดยแยบขายได้จะสามารถากการะกันพัวพันอยู่ในทิฏฐิอันโจได้และคือคนที่มีโยนิโสมนัสการเนี่ยมีการพิจารณาแล้วนี พิจารณาอยู่ในลักษณะของอริยสัจสีเห็นเหตุเกิดเห็นความดับเห็นว่าตัวมันคืออะไรเนี่ยจะละสิ่งที่ที่ไม่ดีได้ละการัวพาญอยู่ในทิฏฐิอันโจวได้เพราะคนที่ละการัวพาญอยู่ในทิฏฐิที่ไม่ดีแล้วเนี่ยจิตใจมันแจ่มใสต้องฟังจิตใจจะไม่มีความหดหู่แจ่มใสในที่นี้ก็จะไม่ใช่ลักษณะของปิติสุขหรอกแต่มีความแช่มชื่นแจ่มใสสว่างสวัย แล้วก็นุ่มนวลอยู่ในใจนะนี่คือลักษณะของจิตที่ไม่หดหูอันเป็นผลมาจากการที่จิตนั้นไม่สายไปสายมานะมีความไม่สายไปแห่งจิตนั่นเองนะพ่เราพิจารณาเห็นอะไรจริงอะไรไม่จริงมีการยุนิโ2มนสสการละสิ่งที่ไม่ดีละนะจิตใจเรามีความแช่มชื่นสบายนะมีความไม่หดหูเพราะจิตใจไม่หดหูมีความแช่มชื่นสบายนี่แหละท่านผู้ฟังตรงนี้แหละนะเราจะสามารถเห็นตามที่เป็นจริงได้ เราจะเห็นจริงว่าโอ้ไอ้นี่มันมันแค่ของไม่เที่ยงนะเราจะเห็นจริงว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องไปยึดถือเลยและตัวเราก็เป็นความเห็นที่เขาเรียกว่าเป็นของที่มีเหตุเกิดขึ้นนะเป็นปฏิจจสมบท ป, ปัญธรรมเป็นของที่อาศั <c oughs> ยการละกันเกิดขึ้นตอนนั้นเองนะไม่ได้มีอะไรที่เราควรจะฆ่าจะไปยึดถืออะไรนตรงเนี้ยแหะคือการที่เราละสกศาศาศาิยทิฏฐินะละความยึดถือว่าอันนี้เป็นตัวเรากองเราเราเห็นจริงอย่างเนี้ย นะวิจิกิจารนี่มันหายไปเลยทันทีนะเราไม่มีความสงสัยเคลือบแคลงเห็นแยงในคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะเจอวิจิกิจารนี่ก็จะหายไปนะเพราะเห็นจริงแล้วนะเรามีจิตที่เรียกว่าไม่หดหูมีจิตเช่มชื่นเป็นจิตที่มีสมาธิแน่วแน่เด็ดเดี่ยวห้าวหานนะหเห็นหรือว่าทําในใจโดยแยบคายนะจึงเห็นนั้นะก็จะสามารถละไอ้ควกความเมาบุญหลงบุญ การรูปคลำศีลและพรดอย่างปราศจากเหตุผลบางคนทำบุญเนี่ยหวังบุญใช่ไหมหวังบุญแล้วก็หลงบุญหลงบุญแล้วก็เมาบุญอันนั้นเข้าขายลักษณะของศีลพัฒนาประมาทนันคือการทำอย่างรูปชนิดที่ว่าไม่มีเหตุผลไม่รู้ว่าทำไปอะไรแต่ทำตาไปา น, น, นั้นทำไปก็อาจจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็เมาไปก็เรียกว่าศีลพัฒนาประมาทเราก็จะลาตรงหลันดาเพราะเราเห็นจริงนี่นนเห็นจริงว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นของที่อาศัยการเกิดขึ้น มีเหตุมันจึงเกิดขึ้นนะเราเห็นอย่างนี้แล้วตรงนี้แหละนังฟังนะทั้งหมด8ชั้นที่พูดมาเนี่ยนะ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันนะ่ะป้องกันนะ่ะโรคของจิตคือราคะโทสะโมหะถ้าเราทําได้อย่างนี้นะ่ะราคะโทสะโมหะจะมากลุ่มรุมตั้งอยู่ในจิตของเราไม่ได้มันอา จ, จะเกิดขึ้นอยู่นะมีภาษาเกิดขึ้นวับมันก็ผ่านไป ในะลักษณะของพูดที่ไกลจากกิเลสนั่นะคือกิเลสไม่ได้ตายท่านฟังในกิเลสไม่ได้ตายกิเลสก็เป็นของเกิดดับเป็นของเกิดตายนันะมันเกิดตายเกิดดับมันเกิดแล้วก็ผ่านไปแต่จิตของเราที่มีภูมิคุ้มกันอย่างนี้นะมันก็ไกลาจากกิเลสเหมือนอย่างในร่างกายของเราปัจจุบันนี้นะไม่ใช่ว่าไม่มีเชื้อโรคนะโอยดูในขอโทษทีลำไส้ใหญ่เราท่านผู้ฟั ง, ฟงไออุจจาระที่เราออออกมาเนี่ย โอ้ยพอออกมาแล้วรู้สึกเกียดมันรู้สึกขยักขย้งเป็นสิ่งปฏิกูลโดนแล้วต้องรีบล้างรีบเช็ดแต่มันอยู่ในตัวเรานะตรงนั้นเนาะโอ้โหจุลินทรีย์แบคทีเรียต่างๆยุบยับยุบยับยุบยับเลยเอาร่างกายเราจัดการยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องมีพวกไอ้องประกรบอบต่างต่างที่ไปจัดการใช่ไห ม, ชมเช่นเม็ดเลือดขาวนะระบบภูมิคุ้มกันเนื้อเยื่อผิวหนังที่จะไปกะับบ้องกันอะไรต่างๆตรงนั้นไม่ให้มันมาลูกรามมีการแบ่งชั้นอย่างดีมีการแยกไว้ เช่นเดียวกันนจิตของเรานี่ถ้าเรามีภูมิคุ้มกันอย่างนี้นําไม่ใช่ว่าอความหึมๆมันจะไม่เกิดมันก็อาจจะเกิดอยู่แต่มันก็ดับไปน้ําก็สลายไปมันก็ไกลจากกันนําไม่ใช่ว่าไม่โดนกันอาจจะเห็นๆกันอยู่แต่ไม่โดนกันนพระเจ้ายกตัวอย่างของใบบัวกับน้ําอย่างนี้ในขี้ตมน้ํำเป็นแหล่งเกิดของใบบัวของดอกบัวแต่พอมันมาเป็นใบบัว มันมาเป็นตอกบูวแล้วแล้วน้ําไปโดนมันขี้ต้มไปโดนมันมันไม่ติดกันไม่ใช่ว่ามันไม่มันไม่ติดกันนะแต่คือมันไม่ฉาบเปื้อนครอบงำนะคือสมมุติถ้าเราเอาเอานิ้วเราไปโดนน้ำอย่างเงี้ยหรือไปโดนขี้ตมเนี่ยมันเลอะติดเกันไปเลยนะมันเขาเรียกว่าแทรกซึมเข้าไปในในชั้นผิวหนังของเรานั่นเป็นลักษณะที่ว่ามันเปื้อนไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าเปื้อน แต่ถ้ามือเรามีเหมือนกับยางหรือว่าถุงมื อ, อใส่อยู่อย่างเงี้ยเราไปโดนน้าโดนอะไรเนี่ยมันก็ไหลวุดออกไปไหลวุดออกไปนะ่ะมันไม่เปื้อนมันไม่เรียกว่ากรณีอย่างเงี้ยเรีว่าครอบงำจิตตั้งอยู่นะเกิดขึ้นอยู่แต่ไม่ครอบงำจิตไม่ตั้งอยู่นะเกิดขึ้นอยู่เวียนมาอยู่นะแวะมาอยู่นะ่ะเป็นอคันตุกะจรมาอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในจิตได้นะ่ะไหลผ่านไปนะไกลจากกิเลสนั่นเอง จิต ท, ที่เป็นอย่างนี้นะคือเวลามีกิเลสเกิดขึ้นนะก็ไม่ถูกสิ่งนั้นเนี่ยครอบงําจิตนะไม่ถูกสิ่งนั้นเข้ามาตั้งอยู่ในจิตไม่ยึดถือว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราเพราะมันไม่ใช่ไงเราเห็นระดับนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วความก็อาจจะเกิดขึ้นอยู่นะมันก็เป็นไปตามธรรมชาติมีผัสสะอาจจะนิสัยมันเป็นอย่างนี้นะมันก็อาจจะมีขึ้นๆบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันไกลาจากกันนะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะข้อมูลตรงนี้ทำฟังสําคัญมากนะว่า เราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตของเรานะ่ะไล่มาเลยนะ่ะตั้งแต่ความที่เป็นผู้ไม่ประมาทนะ่ะไม่ประมาทเป็นคนมีศีลตรงนี้สําคัญนะท่านฟังทําไมพระเจ้ายกมาเป็นอันแรกทําไมพระเจ้าตรัสไว้เป็นอันสุดท้ายก่อนที่จะประินิบัติเพราะมันเป็นอันแรกในการที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้จิตของเราอันดับแรกเราต้องไม่ประมาทนะี่อย่าไปหลงเริงนะ่ะไม่ประมาทนี่คือไม่ใช่หมายว่าคุณจะบรรลุเป็นพระอรันเลยนะแต่ว่ามีความเขาเรียกว่า ความกังวลอยู่บ้างอะนะความใส่ใจอยู่บ้างความที่จะระลึกได้อยู่บ้างว่าเออเราควรจะไม่ประมาทนะเราควรจะต้องตั้งใจตั้งตนให้ดีนะมันจะค่อยๆไหลไปได้น่าจะไปเป็นคนที่เป็นคนที่มีความกลัวความไลยต่อบาปน่ะไล่ไปในการที่ควรจะเอื้อเฟื้อต่อธรรมอันควรเอื้อเฟื้อมีศีลมีความไม่เกลียดคร้านน่ะเป็นคนมีศรัทธาและความฟุ้งซ่านนะอยากเห็นพระอริยะเจ้าต่อมามีสติสัมปชัญญะไม่ให้จิตไปเกาะเกี่ยว นะีไม่ให้จิตไปมีความสายอย่างนั้นอย่างนีนะ้ให้เป็นจิตที่มีตั้งมั่นนะีไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปนะี่ยพุง่งกุ้งกันของเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นนิดหนึ่งค่อยๆพัฒนาตามฟังค่อยๆปรับปรุงนะีจิตของคนเราไม่เหมือนกันนะีผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านบนวินอยู่ในสังสารมัดเนี่ยดีก็เจอนะีไม่ดีก็เจอนะเจอมาหมดนะ่ะเจอมาหมดขนาดนี้มันสบักสบอมมาไม่เท่ากันนะีหรืออาจจะดีเลิศสะอาด เ่ยมอ่องไม่เหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นการที่เราจะวางความสะอาดตรงนั้นนะวางความศักดิ์สิทตรงนี้นะให้จิตของเราเป็นลักษณะที่ไม่ดำไม่ขาวนะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้เราทําได้นะค่อยๆทําไปท่านผู้ฟังนะเราค่อยๆทําไปนะอย่าท้อแทนะ้อย่าท้อถอยอย่าหมดกําลังใจให้มีความเด็ดเดี่ยวเ้าหานมั่นคงแกล้วกล้าอดทนมีความเป็นอาชาในในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบุญจากวัดป่าดอนหายโศก ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร